อั น, นีเวลาจะถามป่ป่าคือเวลาเวลาปฏิบัติหลังจากที่เราได้นั่งสมาธิแล้วเยเราออกมาจากสมาธิเร่งิบัติคือเราพยายามจะเรียนให้การไยึประกาถึงขั้นว่าถ้าเราถูกยารถึง ว่าพอถึงในตอนที่มันเป็นเราทเรื่องัวขิยาความจําะไรต่างๆนะครับหรือว่าวิญาณวิานะครับหรือณะภายนอกภานหรือว่านเรื่องขงการปุ่นปั่นถึงรไมู่ใ้ใจว่ามันจะยึดตรงไหนมืจะยึดถ้ามัจะยึดร่างกายนขอให้ใจบางคนจะยึดนาที่ขออกจา ไปยึดตรงตัวตัวเวทนาถ้านำขันนี่มันมาสี่ตัวพร้อมกันมันไปเป็นทีมก็ยังแล้วไปจับตัวเดียวก็พอจับตัวเดียวเราก็จับจับทั้งสี่ตัวพร้อมกันต้องจับสี่ตัวไม่จับตัวเดียวครับไม่จับตัวเดียวจับตัวเวทนาปล่อยเวทนามันก็ปล่อยทั้งหมด มันมาด้วยกันแต่มันมั น, ม, นมันเป็นเพลงเดียวกันอนะเวลาทุกเนี่ยทุกเวทนาก็เกิดความอยากอยากให้ทุกเวทนาหายอันนี้ก็เป็นสังขารสังขารที่สร้างความทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดสังขารตรงนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปคิดอยากให้เวทนาหายต้องเฉยเฉยตัดแต่แว่ารู้ มันก็จะปล่อยสังขารปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยวิญญาณเลยพร้อมๆกันให้ดูตัวเดียวดูตัวทีตว่ตัวเวทนาเป็นหลักตัวทุกขเวทนาเป็นหลักเพราะตัวอื่ไม่เป็นปัญหาทุกขเวทนาไม่เป็นปัญหาอะไรคนก็ <ขอ S 1> มันทำกันมาทําป็นปีอ่ามันจะมาทําพร้อมกันวิญญาณต้องรับรู้ก่อน รับรู้สัมผัสทางร่างกายว่าเกิดความเจ็บทางร่างกายขึ้นมาก็เกิดก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนาถ้าไม่มีปัญญามีความหลงก็อยากจะให้ทุกขเวทนาหายพอทุกขเวทนาอยากให้ทุกขเวทนาหายก็เกิดความทุกขในอริยสัจขึ้นมาเกิดทุกขใจขึ้นมาที่เป็นปัญหาไม่ใช่ทุกขเวทนา นี่เป็นปัญหาคทุกใจที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราก็มาหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปทํารใจเป็นสมาธิพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความอยากให้เวททุกขเวทนาหายไปพอหยุดความอยากทุกทุกในใจก็หายไปทุกขเวทนาไม่หายแต่ไม่เป็นปัญหาอะไร เราปล่อยวางมันบรรทุกประทุกไปเหมือนตอนเนี้ยฝนตกเสียงดังถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหยุดเราไม่ทุกหรอกถ้าเราอยากให้มันหยุดเราจะทุกขึ้นมาท mm hmm. ีเราก็ปล่อยปล่อยเสียง mm hmm. เสียงก็วิญญาณเหมือนกันวิญญาณที่สร้าง เ, าเวทนาที่น่าลาคาญขึ้นมา mm hmm. เสียงดังมันก็เป็นเวทนา mm hmm. เสียงลาคาญเนี่ยมันก็เป็น ทุกขเวทนาอย่างหนึ่งแต่เปทุกขเวทนาที่เราไม่ยึดไม่ติดกันเราปล่อยวางได้ไเราไม่ตอนเลยไม่ทุกขกันแต่ทุกขเวทนาที่เราปล่อยวางไม่ได้คือเวลามาทางทางที่มันเจ็บตามอาการต่างๆของร่างกายเนี่ยอันนี้เราไม่ปล่อยกันปล่อยความอยากก็เลยเกิดความทุกขใจขึ้นมา ท, ที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้ทุกข์กายหายไปแต่เราก็รู้ว่าทุกข์กายนี่เราทำให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเหมือนตอนนี้ฝนตกนี่อยากจะให้เสียงให้ฝนหยุดแต่เราก็รู้ว่าทไม่ได้เราก็เลยปล่อยมันตกก็ตกไปเสียงดังก็ดังไป แต่ใจเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็เลยไม่ทุกกันเราก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างสบายทุกขเวทนาทางทางร่างกายก็แบบเดียวกันเมื่อเช้าพูดพูดทางทางหูใช่ไหมเสียงมันมีห้าทางทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นแล้วก็ทางกายไอ้ทุกขเวทนาทางกายนี่ส่วนใหญ่เราปล่อยไม่ได้กัน พอเกิดทุกขเวทนาทางใจแล้วเราไปอยากให้มันหายก็เลยเกิดทุกขทางใจขึ้นมาไอ้ที่ทรมานมากคือทุกขทางใจไม่ใช่ทุกขทางร่างกายพอเราเห็นว่าความทุกขทางใจเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากเสียอยากไปอยากให้ทุกขทางกายหายไปแล้วทุกขทางกายก็จะไม่ไรุนแรง ให้ลุนแรงทุกคือทุกทางใจพอทุกทางใจหายไปเราก็อยู่กับทุกทางใจได้อย่างสบายเหมือนตอนนี้เราไม่มีทางทุกทางหูอยากให้เสียงหายไปเราก็อยู่กันได้อย่างสบายเวทนามันก็มาห้าทางสังสามสังขารทั้งห้าพันตาพอเห็นภาพไม่สูกใจ เห็นภาพก็ที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจซึ้นเกิดความทุกข์ทางวิชาทางตาขึ้นมาไม่อยากมองภาพนั้นอยากให้ภาพนั้นหายไปอ่าเพราะเกิดความอยากให้ภาพนั้นหายไปก็เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้ภาพนั้นหายไปแล้วก็ดูมันไปเฉยๆไปดูภาพชาวรุนโหดร้ายอย่างเงี้ยดูภาพคนทาเลาะกันฟันกันแทงกันเหี้ย ถ้าเราทำใจเฉยๆได้ใจเราก็ไม่ทุกข์กับภาพนะั่นแต่ถ้าเราทำใจเฉยไม่ได้ไม่อยากเห็นภาพนั่นมันออก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานนเวลาปฏิบัติไี้ให้ดูตัวเวทนาเป็นหลัาพอเกิดความไม่สบายใจรู้แล้วเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว จะดูว่าทุกข้อเรื่องอะไรอ่าทุกข้อเสียงข้อกลิ่นข้อรูปอ่าข้อสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทุกข์ข้อสัมผัสทางกายกันเดีวลาเป็นไข้นี่ก็ทุกข์นี่ก็เป็นสัมผัสทางร่างกายเวลาปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายก็เป็นเป็นความทุกข์ทางร่างกายแล้วว่าเกิความทุกข์ทางใจอยากจะให้มันหาย ถ้าเราไม่อยากจะให้มันหายเราเฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์ทางใจเราก็จะอยู่กับทุกข์ทางกายได้นี่คือการปล่อยวางปล่อยวางขันห้าปล่อยอย่างเงี้ยงานมาขันครูปขันมันมันมันจะเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันเข้าใจเองอ่า ด, ด, ดูตัวดูเวทนาเวทนาอ่าเรียก ว, ว่าดูตัวทุกข์ใจเนี่แหละตัวทุกข์เวลาเราไม่สบายใจนี่เราแสดงว่าเรากําลังยึดไปกับขนะันห้างละขันดทางใดทางหนึ่งแล้วเวลาเรปล่อยว่างก็ไม่เอาหัวใจรับมาพิจารณาได้ความสิ่งที่เราอยากให้มันหายมันไม่หายอะ่ะเป็นเพมัยอย่างนั้นอ่าเรีย อ, อยากจะให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นอยู่เนี้ยอ่า ว่าใจอย่าง น, นี้ม <g ül> ันง่ายนเอาอับยกตัวอย่างเวลาคุณไม่สบายกับลูกชายของคุณเนี่ยอ่บลูกๆตอนแสดงคุณมีความอยากให้ลูกชายของคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วลูกชายของคุณคืออะไรก็คือภาพที่คุณเห็นไม่ใช่เห็นภาพลูกชายเป็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจอยากให้ลูกชายเป็นอีกแบบเลย แล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณทาให้ลูกชายเป็นไปตามที่คุณต้องการได้หรือเปล่าไม่ได้คุณก็หยุดอยากเถ อ, อะขอให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาคนก็จะไม่ทุกข์กับเขาท้าย น, นี้ก็ทุก ท, งทงาทงาทางตาเวทนาทางตาทุกขเพระเวทนาทางตาผ่านมาทางตาถ้าเสียงด่าก็ทุกขเพระเวทนาทางทางหู ถ้าสิ่งเหมัอนไปเจอสิ่นเหมืนนี้ก็ทุกขนาทุกขเวทนาทางทางจหมูกมันก็แล้วก็ทุกทางใจก็เพราะอยากให้มันหายไม่ต้องการมันมันมีทุกสองอันเกิดอมกันแต่เราดับทุกตัวใหญ่ได้คือทุกทางใจได้คืออยากไปอยากให้ทุกทางทางตาหูจมูกร่างกายหายไปอยู่กับมันไป เราทุกทางใจจะไม่เกิดถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเราก็จะทาใจให้เฉยกับทุกพเพาเทนาทางตาหูจมูกเลิ้ยกายได้ตอนนี้เราเฉยไม่ได้พอเห็นท่าไม่ดีก็ทุ๊และไม่สบายใจละได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่สบายใจละมันัยมาก 快ค่อยะเร็วขึ 550, ว้นเร็วขึ้นวันนี้ก็จะรู้เมื่อก่อนเราไปแก้ผิดที่เรไปแก้ที่ภาพเดี๋ยวนี้เลยไปแก้ที่ภาพมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากอยากให้ภาพนั้นเปลี่ยนอยากเราไปเปลี่ยนภาพนั้นไม่ได้ลูกลูกเราเนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นตอก็ไม่เป็นก็เลยเครียดทุกข์ขึ้นมาในใจ แอ่านหานังสือที่ท่านที่ท่านเทศน์กำลัทำมาเป็นบายคือ ท, ท่านอธิบายว่าคือเราต้องนั่งสมาธิเป็นอยงท่านอัปปนาสมาธิถึงกับ้าถึงก็มาพิจารณาข้าดีเยนี่นะมขขไม่งั้นจะเป็นแค่จิตสำเร็จัป็นาหรือไม่ก็เป็นแค่แค่ขขจิตสำเร็ปนยาตนี้กปกติมันปบาสนี้ แาริบัติถึงเราไปนั่งสมาธิทีม่มันม่มันค่อนขยากนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ปถึงขั้นนั้นเนี่ยแล้วการที่จปนญญาที่จะให้เกิดภาวนาไม่ยะพญญาเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆมันคือได้ได้ผลในระดับที่ไม่ย่เพราะไม่แน่ถ้าเกิดคุณคุณปล่อยวางสิ่งที่คุณกำลังพกอยู่ได้คุณก็ได้อย่างนี้กัน เส้นทุกข์กับรูคนนี้แล้วก็ตัดใจไปช่างหัวมันมันจะตายให้มันตายไปคุณก็จก็สงบเข้าสู่ปัญนาได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะอ่าอ่าอ่าอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอใช้ปัญญาจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเครียดคุณทุกข์มากแล้วคุณเห็นว่ามันเกิดจากปัญหาความอยากของคุณแล้วคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณอยากมันคุณไปทําอะไรไม่ได้ ก็เลยตัดใจเอาช่างมันมือนจะเป็นอะไรช่างหัวมันเอาคุณตัดใจรับคุณหยุดความอยากปับจิตที่เมันก็สงบมันก็สงบไปถึงฐานเลยถึงสมาถึงอัพนาไปเลยนั้นเแล้วปัญญาอบรมสมาสิได้เวลา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 มันจะหยุดได้ง่ายปล่อยได้ง่ายตัดได้ง่ายถ้ามันไม่มีมันยังยืดเหวี่ยวงยังหวงอยู่ยังหัวงอยูแ่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไรจะถึงนอนยอ๋อก็คนต้องต้องถึงมันถึงก็ถึงถึงจะรู้มันสันทสติโกเะไรอย่างเงี้เหมือนกินข้าวอะ่ะคุณกินไปเดี๋ยวอิ่มคุณก็รู้เองว่าอิ่มเมื่อไหร่ถ้าคุณยังไม่อิ่มคุณก็รู้ว่าไม่อิ่มอะ่ะ อย่างที่บอกอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีปัญญาก็ได้แต่ถ้าถ้าคุณมีปัญญาที่สามารถจัดตัญหาความอยากของคุณได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นปัญญาที่ทําให้ใจที่ทุกข์นี่พลิกหน้ามือเป็นหนังเลยใจที่ทุกข์ที่เคียดกลับมาเป็นปกติไม่เดือดร้อนนั่นค่นจะใช้ปัญญานี่มันต้องใช้ตอนที่เกิดทางทุกข์มันถึงจะเห็นผล ถ้ายังไม่เกิดความทุกข์มันยังไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนจินตนาการคิดอยู่มันต้องมีความเครียดมีความทุกข์แล้วก็พอพอตัดความอยากจับเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ยากความทุกข์นี้ก็จะหายหมดเลยกลับมาเป็นปกติเหมือนกับหายจากเป็นไข้อย่างเงี้ยเวลาคุณเป็นไข้ก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไง เวลาคุณหายจากไข้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าหายแล้วไม่มีไข้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันทุกทางใจก็เป็นเหมือนไข้อเงี้ยพอคุณเอาเหตุของทุกทางใจออกไปได้ความอยากออกไปได้เนี่ยทุกทางใจจะหายเลยแล้วคุณจะสบายอาจจะทุกกับเรื่องเงินทองก็จะมายึดบ้า น, นอย่างเงี้ยอ่ะยึดก็ยึดย้ายออกอ่าหายเทือดเลย ไม่อยากไม่ค่อยยืดยังอยากจะอยู่ในบ้านนี้อยู่ยังเสียดายอยู่ยังรักยังห่วงอยู่ก็คเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ในบ้านนี้นเนี่ยเพิไปนอนใต้สะพานดีกว่าไปนอนวัดดีกว่านอนหลับสบายอายเครียบปล่อยได้ไงอย่างนันถ้าคนมีปัญญาค่ะในระดับที่คนตัดตัญหาได้ก็ไม่ต้องมีอัปนาก็ได้แต่มันยากแะ่นั้นเน่ะ ท่านพระพุทธเจ้าท่บอกว่าอ่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วนี่มีประโยชน์มากมีมีมีคุณมากต่างกับปัญญาที่ไม่มีสมาธิอบรมเพราะฉะนัปัญญาที่ไม่มีสมาธิอบรมส่วนใหญ่จะตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดบองไม่ได้วางไม่ได้ยังรักยังหวงอยู่แต่ถ้ามีอัปปนามีสมาธิแล้วเนี่ยมันมันตัดได้ง่าย ท่านถังบอกว่าเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วเนี่ยจะเป็นอ น, นิสงฆ์มากมีประโยชน์มากสมาธิที่ศีลอบรมแล้วก็จะมีประโยชน์มาก mm. คุณอยากจะนั่งสมาธิเนี่ยปยัญญานี้คุณต้องมีศีลอศีงแปดอย่างนี้ศีลห้า น, นี่ยังไม่พอเนะี่ยต้องศีลแปเพราะอเพราะถ้าคุณมีศีลแปคุณจะได้ไม่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเนี่ย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 ปัญญาไม่มีสมาธิมันก็สติแตกเป็นบ้าไปเลยพอจะเข้าใจอ่าทจะพูดเป็นแบบสูตาใจตัวทีเดียวก็ไม่ได้บอกจะต้องมีปัญนาแล้วถึงจะได้มีปัญญาอันนี้ก็ไม่แน่บางทีคุณมีปัญญาระดับจินตายอยู่แล้ว แล้วพอคุณไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วคุณกลงได้ยอมนับได้คุณก็ดับความช่วงได้เหมือนกันแต่จะทาได้หรือไม่ได้กต็ต้องไปทำข้อสอบเอาละต้องไปเจอเหตุการณ์จริงแต่ถ้าพูดตามสูตรแล้วว่าถ้ามีอัปนาถ แ, แล้วมีปัญญาจริงตามวัญญาณแล้วนี่ง่ายปล่อยได้แน่ๆตัดได้แน่ๆผมก็นำเลย ที่เราผมอ่านเะนี่ยือที่ท่านอาจารย์เขียนคือเขาทำไปตลอดแ<ป> ก, ก็ค่อยๆเติมให้ไปไม่ได้ตัดมมไม่ได้ดีขึ้เลยไม่ได้ยังลาออกจากงานอยู่เฉยๆซิ่ง ท, ท, ทุกอย่างยังไม่ได้ก็ได้ผลดีขึ้นยังสลดดัดลาบยศแสละเสนสุดไม่ได้แ็นทีดไดไไ่ได้ไดม่ไม่ติยอะมาก ใจยังไม่ทิ้งมันไม่ติดใจยังไม่ทิ้งมัน <laughs> ขอเจ็บไว้ก่อนขอเจ็บไว้ดูแล่นก่อนอ่า <ynthia> คนที่ท้าไม่ติดเข้าไปบวชแล้วเ <c ười> นะี่ยจริก็อยากมามาปรับป er รุงให้ให้เ่มยอดสูงนี้นอ่ ถ้าเรามาอยู่ที่แค่นี้อยู่มีแค่ในป่ามันมีแค่กระทังเดินจงกรมมีที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็ที่เดินจงกรมเนี้ยพอแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติมีแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็มีอาหารกินวันละมื้อเราอยู่บ้านก็มีอยามทำแต่มันก็เป็นไม่ชุ่มชื้นอยู่ว่ะเพราะมันมีมันมี้ของรอดใจอะของดูดใจอะ นั่นแหละถึงบอกว่ามันเป็นความคิดไงมันยังไม่เป็นความจริง ม, <laughs> มีอะไรอีกไหมพอจะเข้าใจเรื่องฐานห้าไห ม, ไมคือคนตีอ่านนี้นคสือท่านท่านแลวก็อธิบายคนตวน่นแต่ไม่ได้ยินใสว่าคือพอมันแยกเป็นห้าอันนื่นหมายถลา แล้ีจะไปคิดพิจารณาแยกกันยังไงครับวี่พอท่านอิบายว่าจริงๆให้ไปดูทางวิทย์งานมันมีสองส่อ่ามันเป็นพวงทำาร่างกายใช่ร่างกายก็พวงหนึง่งวนามาขันก็พวงหนึง่งอาร่างกายเราก็ไม่ได้ดูอาการ32เราก็ดูว่ามันแส่เจ็บตายแค่นี้ก็พอลนะมันติดกันอะ่ะสองมันติดกัน การปฏิบัตินี้เราก็เปลี่ยนสัญญาสังขารไปในตัวไงเราเปลี่ยนสัญญาเก่าจากการเห็นว่าเวทนาร่างกายนี่เป็นตัวเราของเราเปลี่ยนแปลว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจ์อันนี้ก็เปลี่ยนสัญญาละแล้วสังขารเราก็เปลี่ยนสังขารแทนที่จะอยากให้มันหายก็เปลี่ยนเป็นเฉยเฉยไม่ต้องไปอยากให้มันหายวิญญาณวิญญาณนี่เราไม่ต้องทําอะไรเพราะมันเพียงแต่ รับข้อมูลมาให้เราท่า น, นเองรับภาพรับเสียงรับเสียงมาให้เราเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับรูปเสียงกิ่นให้ถูกโดยที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คืออย่าไปอยากรับรู้เฉยๆสักจะว่ารู้อย่าไปกรุงแต่งว่าเอาดีต้องอยู่กับเราเป็นนานๆไม่ดีต้องหายไปเร็วๆนี่คจะทําให้เกิดตั้หาความอยาก แล้วก็เกิดปัญหาคือความทุกข์ใจขึ้นมาที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ใจนี้เท่นั้นเองเราดับเราดับเอสังขารไม่ได้เราดับนามขันไม่ได้ร่างกายเราก็ดับมันไม่ได้ต้องปล่อยมันดับเองถ้าไปดับมันด้วยข่ามันมันก็ผิดอีกอ่ะมันไม่จําเป็นจะไปฆ่ามันมันไม่มีมันไม่มีโทษเข้าใจไหมตัวที่เป็นโทษไม่ใช่ไม่ใช่ขัน ตัวที่เป็นโทษก็คือตัณหาความอยากของเราที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราร่างกายมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา่คือความอยากตัณหาการว่าตัณหาภาว่ตัณหาที่าว่าตัณหาที่เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าขันห้าเป็นเราเป็นตัวเราของเรา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 สุกเวทนาก็รัก็อยากจะให้อยู่นานๆพอหายไปก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันทุกเวททุกคณะทุกเวทนายังไม่ทันเกิดเลยเพียงแต่สุกเวทนาหายไปก็ทุกข์ละเวลาเวลาบายๆจากกันไงเน เ, เวลาเห็นภาพเห็นคนที่เรารักเราก็ดีใจอยู่ด้วยกันก็มีความสุขพอเขาต้องไปทํางานหรือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็สุขเพราะเวทนาหายไปแล้วใจก็ทุกข์ขึงนานล้ เพร อ, อยากให้สุขเวทนาอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้สุขเวทนาอยู่หายก็หายไปเขาไปก็ไปเราก็เฉยก็ไม่เดือดร้อนวิธีที่จะทําให้ใจเราเฉยก็ต้องอัปปนาสมาธิเวลาจิตรวมแล้วมันจะจับเกินสู่ธรรมชาติของมันจิตธรรมชาติของจิตเป็นถ้ามันไม่มีอะไรมา มาลบปวนมันนะมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะเป็นอุเบกขาแต่ตอนนี้ตัวมารบปวนนั่นก็คือตัญหาความอยากมันก็เลยทําให้จิตไม่สงบเนี่ยเราก็มีวิธีทําจิตให้สงบสองวิธีวิธีเพ่งด้วยอารมณ์เพ่งอารมณ์ใดาอารม์หนึ่งเช่นพุทโธมันก็สงบได้โดยใช้ปัญญาถอนปัญหาออกจากใจ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 แต่ไม่ได้ฆ่ามันพอออกจากสมาธิมาตันหาความอยากก็ออกมารบปวนใจกับคือไม่ไม่ที่ออกมาก็เพราะว่าสติเราอ่อนกําลังแล้วตันหามันมีกําลังมากกว่ามันเลยแกล้งออกมาพาะย่ะความจริงเราไม่อยากจะออกอะแต่มันออกมาเพราะตันหามันอยากจะออกมาละ มันอาจจะเพราะร่างกายมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดเวทนาเริ่มบอกอยากปวดฉีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะนึงใจให้ออกมาแต่ถ้าเราถ้าเราใช้ปัญญาถอนถอดถอนการหาความอยากได้มัน ก, ก็จะไม่มีจิดก็จะสงบตลอดเวลาเป็นอุเบกขาตลอดเวลา แสดงว่าอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีก็คือต้องมีอุเบกขาตลอดเวลาใช่แล้วก็ติดก็จะนิ่งนั่นนี่งสงบแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจก็จะเห็นได้ชัดแต่สําหรับใจที่ไม่สงบนี้มันไม่มันมันมันมีความทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วเพรอเกิดความทุกข์ขึ้น ม, มันก็มองไม่เห็นนอกจากทุกข์แรงๆเท่านั้นมันถึงจะเห็น ทุกเบาๆมันก็แก้ด้วยการไปทําตามความอยากพออยากจะดื่มกาแฟก็อไปดื่มนะมีความทุกข์ในใจแล้วแต่มันไม่ไม่รุนแรงแต่มันรู้แต่มันแต่มันมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันต้องไปดื่มกาแฟมันถึงจะหายเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยากกันแล้วก็ไม่มีวันหายเพราะความอยากมันไม่ได้หายด้วยการทําตามความอยากมันก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ต่อไป สิเศที่แก้ปัญหาโรคไม่ต้องไม่ทําต้องไม่ทําตามความอยากพอไม่ทําแล้วความอยากก็จะหมดกําลังไปเองแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากดื่มกาแฟทำไม่เชื่อลองดูเลยทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟนี่อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวอีกต่อไปไม่นานมันก็เฉยๆกับกับกับกาแฟแล้วเมันไม่รู้สึกอะไรให้ปืนอ่าปืนอย่าไปทำตามความอยากทำตามความอยาก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 จะสูดบุหรีก็สูตรลมหายใจแทนปุ๊อาณาปณะสติไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็สูตรลมเหมือนกันไม่เห็นไหมบุหรีก็เป็นลมไม่เห็นหมแล้วก็สูตรลมสะอาดไม่ดีกว่าเลยดีกว่าไปสูตรควันพิษใช่ไหมบุหรนี่เป็นควันพิษแท้ๆสูตรจะกระทั่งปลอดปลอดเสียปลอดพัง ตลาดเรื่องง้อเป็นเลยเวลานั่งรถพอจะตามรถที่มีความคิดหน่อยโอ้ยปิดจมูกกันหมดแต่พอถึงเวลาอยากจะสูบบุเลยก็ควา้ากุหรี่มาสูบกันความทไหนมันจะไล่แรงกว่ากันอันนั้นเข้าไปในปอดเลยควันไอไอไอไอควันนี้ออกมาดูดเข้าไปแล้วออกมาแล้วไม่ใช่ขนเดียวอไม่รู้เกี่ยวกัขนเนี่ย การแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยบางีมันก็มันก็สงบแต่ไอ้ที่ผมถาม่ีคือถึงขั้นอัปนานี่มันหมายถึงว่ามันจะเห็นแสงสว่างหรืออะไรไม่ไม่ไม่ไม่ีแสงสว่างไม่มีอะไรมันจะมันจะตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งคือเหมือนกับอยู่ในอวกาศไงลอยอยู่ในอวกาศก็เหมือนตกลุมตกบ่อกรับเออเออไม่เคยเออไม่เคย ถ้ามันเคยแล้วมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ถามหน่อย ค, <laughs> คนที่เคยแล้วเขารู้หอมเป็นยังไงเราจะรู้ว่ามันเบาอกเบาใจมันเหมือนลอยอยู่แล้วต้องฝนานในความเจอิญฝึกบ่อยเนี่ย <laughs> มันไม่อยู่ให้นานไม่นานอยู่ที่มากหรือ ม, มากหรือน้อยทำบ่อยไม่บ่อยอทำทั้งวั น, ว น, วนวต้องมีสติควบคุมความทิด้ได้ตลอดเวลา ถ้าควกคุงได้นั่งสมาธิห้านาทีมันก็รวมได้เจ็นาทีมันก็รวมได้ติตัวปัญหาคือตัวสติมันไม่ต่อเนื่องมันไม่อยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่อยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่เรื่องปั๊บเดี๋ยวไปคิดเรื่องนื่นคิดเรื่องนี้แล้วมันก็เลยมันไม่อยู่นิ่งถ้าให้มันอยู่เรื่องเดียวมันถึงจะนิ่งถ้าให้มันอยู่นิ่งได้ต่อเนื่อห้านาทีมันก็รวมได้ ลองทําดูแต่ให้มันห้านาทีให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ไม่ไปไหนเลยหรืออยู่ดูลมอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยห้านาทีรับรองได้อัปปนาได้เห็นคนบางคนที่เขามีสติดีเขาเขามานั่งดูลมห้านาทีพุทโธห้านาทีเขาก็รวมได้เห็นพระพุทธเจ้าบอกสตินี่สําคัญมาก เป็นเป็นกุญแจที่จะเปิดสมาธิปัญญาต่างๆให้ตามมาได้ตัวนี้เป็นตัวแม่เลยที่จะให้ําเนิดแก่สมาธิปัญญาและวิมุตติตามอิทุนถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีวันที่จะทำได้คนไม่มีสติก็เหมือนคนบ้าเนี่ยทำไม่ได้คนเมานี่ททำไม่ได้คนหลับนี่ททำไม่ได้ เพาไม่มีสติแล้วคนตื่นนี่ก็มีสติแต่สติมันน้อยสติมันมันมันไปไปมันมันมันดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ได้กิเลสมันชอบดึงไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลยต้องดึงมันมาตอนต้นเลยเรื่องชักไปเยอกันกิเลสดึงไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราดึงมันมาหาพุทโธหรือมาดูลมหายใจเลื่องดูร่างกาย อันนี้เรียกว่าเป็นการดึงเข้ามาให้อยู่คำเรื่องเดียวสายกิเยดชอบดึงไปหาราบยศฉละเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนะตื่นขึ้นมานี่ไปแล้วใช่ไหมให้วันนี้จะไปทําอะไรดีไปกินอะไรดีไปดูอะไรดีมันคิดไปละคิดไปเรื่องคจกักยังบอกว่าพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธใส่มันเลยดึงมันไว้เลยพุโทโธพุโทโธไปทําในสิ่งที่จําเป็นแค่นั้น สามนะ้ำแต่งล่างหน้าล่างตาผีวเผาวิ่ผมแต่งเนื้อแต่งตัวไปทำงานก็ไปทำงานถ้าไม่มีไม่ทำงานก็อยู่บ้านเดินโจงผมนั่งสมาธิพุโทโธไปอย่างเดียวยทำอย่างนี้ไปดูสิดึงมันไว้อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไมได้ทำแต่ว่ า, าค่อยจค่อยดีขึ้น ก็ดีขึ้นแบบนี้แค่เปลี่ยวดีมันจะไม่ได้ครับตอนนี้คิดไปในทางปัญญาก็ไม่เป็นประโยชน์อย่าไปคิดเพราะมันใช้ความคิดมันก็จะทําให้จิตลอยไปลอยมาอยู่ดีอยู่ใช้ความคิดอ่แต่แม้จะเป็นตีมันมันนิ่งถ้อยู่กับเรื่องเดียวนี่เปล่าถ้าจะทางปัญญาจะเรื่องเดียวก็กระดูอย่างเดียวนี้ถ้าจะดูอาการร่างกายก็ดูอย่างเดียวไป หรือตอนต้นมันยังไม่ยอมอยู่เรื่องเดียวก็ให้มันอยู่กับสามสิบสองอาการไปก่อนละกันนะแต่เป้าหมายก็คือให้มันมาอยู่เรื่องเดียวให้ได้ในที่สุดมันต้องอยู่เรื่องเดียวมันถึงจะรวมได้ถ้าจะใช้การเพ่งใช้สติเนี่ยมันต้องอยู่เรื่องเดียวถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเพีงจะใช้ปัญญามันเพียจะทําให้จิตสง บ, บตัวได้แล้วก็ตัด ปัญหาความอยากได้ก็มีสองวิธีสติหรือปัญญาแต่ปัญญานี่ยากกว่าสติมากสตินี่เหมือนกับสอนเด็กกอไก่ข้อไข่แค่นี้ก็ได้แล้วปัญญานี่เหมือนสอนวิชาระดับด็อกเตอร์อเงี้ยแอสโทรฟิสิกอยเงี้ยนิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ ย, ยมันเรื่องระดับปัญญาเนี่ย คนธรรมดาทั่วไปมันจะคิดไม่ได้หรอกอันนี้จังทุกขังอนัตตามันฟังมันคําว่าง่ายนะแต่คุณลองวิเคราะห์ดูคําว่าอันนี้จังมันไปถึงไหนกันมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนยิ่ง อ, อนัตตายิ่งไปถึงไหนเลยเเพูดกับหมอนี่หมอบางยังหมอ ย, ยังไม่เข้าใจเลยว่าความหมายความอนาัตตานี้หมายถึงอะไรบ้างควาว่าไ ม, ไม่มีตัวตนนี่แปลว่าอย่างไรยังตากันไม่ออกเลย ก็นี่นะนี่ไม่มีตัวตนเนี่ยมีไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนเนี่กอย่างมันเป็นไอ้นี่ก็ไม่มีตัวตนแต่เราไปเรียกว่ามันมีตัวตนขึ้นมาเองเข้าใจไหมไอ้นี่ไก่นี่เหมือนกันเข้าใจไหมทาไมเราไม่ยึดติดกันนี่ทําไมเรามายึดติดกันนี่เพราะเราหลงที่มันเป็นตัวเราตัวตนพระเจ้ามันนี้ก็เหมือนกันเน่ะไอ้นี่ก็ไก่นี่มันก็เหมือนกัน มันก็เป็นธาตุเหมือนกันอันนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ไปกองขยะเหมือนกันอันนี้ก็ไปกองขยะอันี่ก็ไปกองอกองขยะมัน้ายไปเขาก็ไปทิ้งในป่าช้าก็เป็นกองขยะเหมือนกันเนี่ยต้องดูให้มันเห็นว่ามันมันอน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นยังไงฮะแล้วมันจะไปอ่านหนระือยั ก็เนี่ยแหละก็ต้องอา่านพระไตรปิฎกอ่านหรือไปอ่านเทศของครูบาอาจารย์ห<จ>รือา<จ>ารไปถามไปคุยกับท่านอย่างเงี้ยเพราะเรื่องนี้ท่านต้องจะไม่พูดกับคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปพูดไปก็ไร้บอยครูปัยเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่เชื่อหรอกอะไรว่าไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เกิดน้าก็เชื่อเป็นตัวเรามันตลอดเวลาเหมือนกันไม่ใช่เราพี่หลง ควบคุมไม่ได้ก็เหมือนนั่นก็ส่วนหนึ่งอ่ะมันมันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เราอ่ะเป็นจะว่าไงเออเออนั่นแหละมันมันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เรามันเราจะไม่ควบคุมไม่ได้ยังฝนที่เราไปควบคุมมันได้เปล่าอ่าเป็นไงรู้สึกเออข้ามหน้ามาเกิดเหตุการณ์เรื่องป่า แต่ทุกอย่างมันเป็นอนัตตาที่พูดกับคนที่หลงมันเลยพูดยากเหมือนกขาพูดคนตาบอดนะเพราว่าสีนั้นสีนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนที่มีตาดีมันไม่ต้องพูดมันเห็นมันก็รู้เข้าใจกันหมดนะ่ะจริงๆคนที่มีตาไม่ต้องมาอธิบายสีเขียวสีแดงเป็นยังไงแต่ถ้าคนตาบอดนพยายามอธิบายจนมันตายมันก็ไม่เห็นอยู่ดีะ น้ำใสต่างกังสีแดงกับสีเขียวคนลงแบบลงแบบอธิบายให้คนตาบอดจำ ม, มันไม่เป็นไ ป, ไ, ปไม่ได้มันต้องลืมตาให้ติดปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะแต่ทางร่างกายนี่ยังพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าอันเนี้ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินน้ําลงไฟไปแน่แล้าแล้ ว, ลวมันกป็นเราตรงไหนก็ตอนนั้นเรา เราหายไปไหนแล้วล่ะไอ้ที่ตัวว่าเรานี่คือใข่ยังไม่รู้เลยใช่หไหมก็คิดว่าร่างกายเป็นผู้คิดอีกใช่หไหมนมักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าร่างกายกระจายนี่อยู่ที่เดียวกันใช่หไหมความคิดออกมาจากสมองอแต่ตามพุทธศาสนาบอกไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็น ใจนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่มาคอนโทรลหรือสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆมันอยู่ในใจิตใจเราะฮะจิตํำว่าใจหรือจิตจะมันอยู่ในตัวเราพ <laughs> อ่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันอยู่<ไ>มันขึ้บนใจนี่คือตัวรู้ไงตัวที่ไม่มีร่างไม่มีรูปร่างหน้าตา แต่ที่มีสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในตัวนี้แหละเป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างอาศัยร่างกายนี้เป็นตัวรับข้อมูลไปให้ใจทีนี้ถ้ามีตามันก็จะมีภาพมันก็เห็นภาพมันก็ส่งภาพมาทางวิญญาณวิญญาณก็ส่งมาที่สัญญาดูว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเราจำได้หรือเปล่าว่าภาพนี้เคยเห็นหรือเปล่า ถ้าเเห็นมันก็จะจำได้ก่ออ๋อภาพนี้คือผู้หญิงผู้ชายอะไรเป็นต้นนี่คือสัญญาสัญญาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเห็นภาพที่ชอบก็สุขเวทนาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็ทุกขเวทนาพอเกิดสุขทุกเวทนาก็เกิดสังขารตรงขึ้นมาสุขก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆานทุ ก, ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเอง ร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดส่วนใจนี่เหมือนเหมือนคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดคนละคนกันเข้าใจไหมอ่าแล้วคนที่ควบคุมร่างกายนี้ควบคุมหุ่นนี้ก็ใช้วิทยาสัญญาณวิทยุใช่ไหมอ่าสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเขามีตู้คอนโทรลใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ใช้สัญญาณวิทยุนี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 ในขณะที่หุ่นไปไปสํารวจอะไรดูอย่างนี้นีน่คือใจกับร่างกายเข้าใจมนดะังนั้นอะไรเกิดขึ้นกับกับหุ่นนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ควบคุมเหมันครับเช่นหุ่นระเบิดขึ้นมาไปกู้ระเบิดแล้วตายมันคนคุมไม่ได้ตายไปกับไม่ได้ตายไปกับหุ่นใช่ไหมไนะใจก็เหมือนกันเวลาร่างกายตายไปนี่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอใจไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่เองโลกอยู่อยู่มิติหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วภาษาชาวบา้านเราเรียกว่าโลกทิพ <Yeah. S 1> ย์ใจนี้เป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี้เป็นเป็นโล ก, กทาตเป็นธาตุเลยอยู่ในโลกกะทาตโลกของนินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> มีสองโลกอยู่สองมิติ f u dimension <Yeah. S 1> อันนี้ dimension หนึ่ง ธาตุสี่โลกธาตุนี้เป็นหนึ่งอีกดิเมนชันหนึ่งก็คื อ, อโลกทิพย์ถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็ spiritual หรื อ, อเป็นทางวิญญาณไปทางจิตวิญญาณไปเรเรียกนี่แหละตัวนี้แหละที่เวลาไม่มีร่างกายนี้ตัวนี้ก็เป็นสวรรค์เป็นนรกไปเป็นนิพพานไปหรือแม้จะกลับมาได้ร่างใหม่ได้ร่างของมนุษย์บ้างได้ร่างของเดรฉานบ้าง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 ถ้าเป็นบาป ก, ก็อยู่ในระดับที่มีแต่ความทุกข์ตัวนี้ไม่ตายตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ส่งนามขันมาเชื่อมกับรูปขันเนขะ้<ม>าใจาไห ม, มเชื่อมด้วยวิญญาณ<ม>วิญญาณเป็นตัวมาเชื่อมวิ ญ, ญญาณในขันห้านะอ<ม>วิ ญ, ญญาณนี่มีสองอันเข้าใจไหมเกียวกับยังเราเรียกตัวจิต น, นี่แหละเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นตัวตัววิญ ญ, ญาณอันนี้ อันนี้ที่ไปปฏิสนธิไปมีร่างกายเหมือปฏิสนธิวิญญาณก็คือตัวจิตนี่แหละเป็นในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันใหม่เรียกมันเป็นวิญญาณพอมันมีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจตัวเดียวกันเข้าอย่างตัวจิตตัวใจนี่ก็เป็นตัวเดียวกันแต่มีสองหน้าที่ตัวจิตก็คือตัวนามขันนี่เขาเรียกว่าตัวจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัว เป็นตัวจิตแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวรู้ตัวเดียวกันเพียงกับมีสองหน้าที่ไงตัวหนึ่งทําหน้าที่เอคิดจุงแต่งรับรู้ข้อมูลอะไรต่างๆออีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับรู้เป็นตัวรู้เวลาคุณนั่งสมาธิคุณอยู่ตัวจิตตัวรู้เวทตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสงบก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว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 กำังหล ง, trophy, งหรือไม่หลงกาลังอยากหรือไม่อยากรู้คือทันที่รู้ว่าตอนเนี้ตัณหาเกิดว่าอยากไม่หรอกไอ้ตัวรู้มันมันรู้แบบรู้รู้แบบปัญญาก็ได้รู้แบบหลงก็ได้ไงรู้แบบปัญญานี่รู้แบบหลงอ่คนสัญญารู้แบบหลงไงรู้ว่าตอนนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วอันนี้รู้รู้แบบหลงแต่รู้แบบปัญญาก็คือรู้รู้แบบไม่อยากได้อะไร เพราะความอยากเป็นทุกข์เนี่ยเห็นตอนนี้เรามาศึกษาปัญญาไงเราจะได้รู้แบบปัญญาไม่ใช่รู้แบบหลงตอนนี้เรารู้แบบหลงรู้แบบอวิชาองอาวิชาจะหลอกเราว่าโอ้ยดีเว้ยราบยศสรรเสริญดีก็อยากได้กันอันนี้รู้แบบหลงพี่พระเจ้าหอกรู้แบบนี้มันทุกข์ต้องรู้แบบไม่ทุกข์ก็คือรรู้ว่ามันเป็นทุกอย่างมันไม่เที่ยง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 แต่ไม่คิดว่ามันสุกเพราะเวลาได้มันสุกไงแต่ไม่น้อะไม่ได้คิดถึงตอนเวลามันเสียเวลาเสียมันทุกข์ตอนไม่เห็นนิจจังไงไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับมีขึ้นก็ต้องมีลงเนี่ยไมันมันรู้เหมือนกันแต่มันรู้ไม่ตลอดเวลารู้ตอนที่สายไปแล้วรู้ตอนที่ ไปมีเมียแล้วไปแต่งงานแล้วลูกนี้ไม่มีดีกว่าพอใจมันไม่ทันปัญญาไม่ทัน <laughs> อย่างนี้เร็วปัญญามาช้ามากมารู้ทีหลังยังต้องรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าอันนา้สอนอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจริงๆก็เลิม่มเอง พอเห็นเนี่รอยากไดพวกเพื่นเาลืมนะลืมว่ามเป็นทุกข์ะลืมว่ามันไม่เที่ยงนะมันไวมากเนความหลงเนี่ยมันไวกว่าความปัญญาเราเพราะเราไม่คิดทางปัญญาเรื่อยๆอแต่ความหลงนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลาถึงต้องหยุดกันไงถึงต้องหยุดตัวความหลงเนี่ยนั่งสมาธิเพื่อหยุดตัวความหลงชั่วข่าว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 ใพิจารณานิจังทุกครั้งหน้าตาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างเห็นอะไรก็จะปล่อยวางเห็นอะไก็จะปล่อยวางถ้ามันเห็นว่าเป็นอนิจังทุกขังหน้าตาตอนนี้มันเห็นเป็นนิจังสุขขังหน้ตาใช่ไหมเห็นอะไรก็คิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดนะครับตอนนี้มันเห็นอย่างงี้กันทุกคนมันจึงแย่งกันไงแย่งความทุกข์กัน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 ไม่งั้นั้นถ้ายังไม่เข้าไปในสมาธิไม่หยุดมันมันก็ยังคิดไปในทางเดิมอยู่อ่ะจะให้มันไมคิดในทางอ น, นิจจามันไม่ไปหรอกเหมือนกับเวลาคุณขับรถจะอยู่เท่านี้ต้องทำอะไรไปต้องจุดต้องหยุดรถก่อนเนี่ยหยุดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเนี้ยแล้วค่อยแล้วค่อยวิ่งไปใหม่เปลี่ยนทิศทางใหม่ต้องหยุดก่อนเนะี่ยสมาธิก็คือการหยุดใจก่อนที่เราจะเลี้ยวไปทางปัญญาได้เราต้องหยุด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 พอเห็นแล้วว่าสุกก็ว่าเป็นทุกข์เห็นกาแฟว่าสุกก็ต้องว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วเราจะได้ไม่อยากให้อยากจะเดินอย่างนี้ในการปฏิบัติความจริงหลัก ง, ง่ายๆม า, มาโปรแกรมใจเราใหม่ใช่ไ้ยเป็นความคิดของใจเราใหม่คิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่อยากตอนนี้เราคิดไปในทางที่อยากที่ทุกข์กันนี่เราหยุด ไ, ไม่ได้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 กระแสใจเราก็มี magic. กระแสก็คือก็คือกระแสของความคิดเนี่ยมันคิดตลอดเวลาใชมีเวลาไหนบ้างที่เราไม่หยุดคิดกันมั้ง <m> คิดไปเรื่อยส่วนใหญ่คิดไปในทางอนิจจังสุขขังอนัตตากันก็เลยกลายเป็นทุกขังกันขึ้นมาเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันเพราะมันไม่ใช่เป็นความจรงิงความจริงมันไม่ใช่นิจจังสุขขังอนัตตาความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในหลักแค่มีแค่เนี้นะไปนั่งสมาธิไปหยุดใจใชแล้วพอหยุดได้แล้วก็สั่งให้มันคิดไปในทางอันนี้จังทุกขังนนับตา่าแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากได้อเลยแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่กลับมาเกิดง่ายๆแค่เนี้สรุปมีแค่นี้เองที่เรียนถ้าใสยไปเด็กกันมาทั้งหมดก็ลงที่อริยาาสัจสี่นี่ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก การเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นใจรักเห็นหนิจจังทุกขังนันตาพอเห็นหนิจจังทุกขังนันตาก็หยุดความอยากก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดทางทุกข์เนี่ยหัวใจของโมจศาสนามีแค่นี้เองถ้าคนฉลาดพอได้ยินแค่นี้เขาก็บรรลุได้เราไม่ต้องไปท่องพระไตรปิฎกไปอ่านอะไรทั้งหมดเนีพระเจ้าบอกคำสอนพระเจ้าเนี่ย เหมือนกับน้ำในทะเลน้ำในหมหาสมุทรเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยมีคําสอนมากมายแปดหมื่นสี่พันพุทธคำมาขันแต่มีรสชาติอันเดียวคือทุกและวิธีดับทุกนน้ําในหมหาสมุทรจะใหญ่โตมากมายขนาดไหนก็มีรสเดียวคือความเค็มรสของคําสอนมุตตเจ้าก็มีแค่นี้ดับทุกวิธีดับทุกเปิดทองทุกและวิธีดับ ความทุกข์ระเพศของทุกข์งนั้นเองทุกขสมุทัยนี่โรนมาคม่แค่นี้คนที่มีปัญญาถ้าเข้าถึงจุดนี้แล้วเขาก็ต้องถ้ามีปัญญาแล้วต้องมีกําลังปฏิบัติตามได้หยุดหยุดต้นเหตุของความทุกข์ให้ได้พิจารณาตายรักให้ได้ต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายลักมันเพียงจะหยุดได้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 เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คนอือน่นอันเดี๋ยวจะให้พอรก่อนเผื่อใครทำบุญแล้วอยากจะไปก็ได้ยะถ า, าวารวะอาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตจินางเตตานางอุปกัปติอิชิตังปัตชิตังสุมหังคิดเเมวะสวิจจตุสัพเทปุรเรนตุสังกะปา จันโทปณะละโสยถามณนิโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพารโควินาศตุมาเตผวจวันตาราโยสุขีทีขายุโปภวะอภิวาทานสีลิสสิจังวุธาปจายโน ยาตาโรธัมมวัตถันติอายุวันโอสุขังอาลางไม่รู้คนทางบ้านได้ยินเสียงาครับืับปล่าในนะี้นะเพราะตอนนี้ต้องตะ ก, กรอยนะมันอะเสีย ง, ยงได้เลยมีคนเข้ามาเยอะไหมยังยังเหมือนกัน คู้ว่า20คนเดี๋ยวต่อไปนี้ครับพอคงใจความกันเยอะแต่ตอนนี้วันน้ส่งมาให้แล้วแต่ว่าพอลองกดเล่น m p มมสาเนี่ยมันค้างเข้าไปต้องแก้หน่อยส่งมาแล้วก็ลองดูต้องทลองแก้บัาไปก่อนเพราะมันมี2อันระหว่าง p h o n e แล้วก็อินดอร์ครอบใ่ครับเก็นรู้ว่ากั่ออาจารย์ชาชาติโาจาลองเข้าไปดูเลยรูสัหลายทุกวันห ต้องมีคนถามมันถึงออกมาถ้าปกติกม็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวหมือนเหมอเาเอาเรื่องแอสโทรฟิสติกไปพูดกระเดกคอไก่นี่มันช่วยเขาฟังเรื่องส่วนใหญ่ก็เลยต้องสอนแบบตามขั้นตอนลยก่อนทานศีลภาวนาไปยังศีลภานนาดีเวลาเราจิตเนี่ยทำแบบจิตบาแล้วก็นั่งสมาธิ มันก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งทำให้จิตสงบได้ในระดับ<อ>นห น, นึ่งก็เริ่มมีมีสงบะจะเริ่มมีความสุข<น>เป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้อะไรอ่าพ อ, อใจเราถาแล้วก็จะปล่อยวางความสุขทางด้านอื่นไปได้<น>แล้วก็ ใช้ความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรดีกว่าพรต่อไปร่างกายของเราก็เราก็จะใช้มันไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรายังต้องอาศัยร่างกายให้ความสุขกับเราเพราะอาศัยมไม่ได้ก็จะก็เกิดความทุกขึ้นนะที่ตัแล้วหมายความถึงว่าเราต้องมีธรรมะอย่างไร ก็ต้องมาคุยกันมาขออนุญาตเนี่ยเพราะข้างบนนี้เป็นที่ปฏิบัติของพระแต่ถ้าเรามีที่ว่างถ้าได้อยากจะมาลองปฏิบัติก็จะให้ลองโดฏิบัติเพื่อมาถึงถึงป่าก็มาปฏิบัติเดินจงกรมเั่งสมาธิเป็นหลักแล้วก็เึงถึงป่าเหมือนไปูุดงในป่าเนี่ยไม่มีอะไรเพื่อนี้มีงานสำหรับเราปฏิบัติอ่า แล้วอยู่บ้านเราก็ทำได้อยู่แล้วไดแต่บรรยากาศมั น, ม น, นมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างวันเนี้ยฝนตกคนที่ยู่ในแค่ในป่าก็ทําอะไรไม่ได้นั่งอยู่นั่งอย่างเดียวไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปก็ต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนลุกนมาเดินหายเมื่อยก็นั่งต่อมันเป็นมันต้วันแล้วผ่านอาหารที่อลองไป ก็มีสองทางถ้าคุณมีรถคนจะขับรถไปซื้อกินเองก็ได้ไปที่วัดก็เป็นลูกสิษย์เรไปช่วยผ้าหิว้วไปเป็นตบาตช่วยหิ้วของผ้าท่านก็แบ่งอาหารให้เรากินหรือเราไปสั่งอาหารซื้ออาหารแถวหน้าวัดก็มีร้านอาหารมีร้านค้าอะไรก็สั่งได้กินได้ก็กินให้กินมื้อเดียวแต่ห้ามาไม่ให้เอาอาหารขึ้นมาขาม้างบนนี่ มาด้วยกันเนี่ยเป็นลูกชายนะเป็นลายดีฝันท่านแล้วก็พอไปปฏิบัติวมันดีจริงๆดูเมื่อก่อนพอตังบนตอนนี้พอนั่งสมาธินอนไม่ต้องมีกินยานอนหลับยใช่ดีมากดีมากดีอากดี ยาไม่มีปรนสติดีกว่ายามีสติผืดความคิดได้ไมันหลับได้อันนี้ผมเนี่อ่านผมเล่นสื่อเล่เามีทั้งหลายเล่นแต่ว่าผมไม่ได้มีเยอะแล้วพอ แ, แล้วเล่นต้นต้น้วเข้าไปหาหน่อหน่อยในอินเทอร์เน็ตเนะี่ยเข้าไปอ่ามีทุกเล่มเลยพระสุชาติ .com เข้าไป แล้วมีดาวโหลดนดาวโหลดใอ่นใอนมือถือก็ได้ครับติดอีกห่ายแอปพลิเคชันตรงนี้เสร็จครับก็จะมีดาวโหลดดูได้หมดเลยก็ดูได้ฟังได้เท่เท่ที่ทอัดไว้นี่จะเก็บไว้หมดเลยเกิดตั้งได้ของเก่าหนังสือก็มาจากที่เทศเนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เขียนนะ ไม่ช้าหรอกไม่ช้าหรอกมาถึงว่าวมันท่าชท่านอาจารย์สอนมาหลายปีแล้วก็หลังจาก ม, ม, มาอยู่วัดด้วยนะปีส <27. S 2> องเจ็ดสองเจ็ดแต่มาสอนเป็นแบบเป็นทางการจริงๆก็มาปีสามเก้าสี่ศูนยสามเก้าสี่ศูน ประมาณยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีมนาะที่ที่เริ่มทำหนังสือแจกมาเนี่ยประมาณยี่สิบปีแต่ก่อนหน้านั้นก็สอนแบบใครมาหาสอบคุยกันไปถามตอบปัญหากันไปเเป็นคณะเล็กๆกลุ่มเล็กๆคนไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นประโยชน์มากเลยปฏิบัติดีใช่ไม่มีอะไรดีเท่าการทำงูตะเจ้ารถแข่งทางชนะรถทั้งตัว ความยินดีในทางชนะการยินดีทั้งตัวพอเรามายินดีในทางนั้นดีกว่าเพราเราจะได้ลดแห่งธรรมที่ชนะรูทั้งตัวลดแห่งธรรมก็คือความสงบเดียที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งตัวเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีไม่มีวันศูนไม่มีวันเสื่อมถ้าเราลองสร้างได้แล้วเราสามารถรักษามันได้ตลอด แล้วไม่มีความทุกข์ตามมาแบบความทุกข์ได้หนึ่งเยวจะลองเปิดโอกาสให้คนทางบ้านเขาถามบ้าง น, น ะ, ะถ้าจะนั่งฟังก็ได้น ะ, ะถ้าอยากจะกลับก็ได้ไม่มีข้อไม่มีกดระเบียบอะไรอะเอาตั้งนี้ก่อนนะ แล้วคนอื <enrolled> ่นเราไม่ห่วงไะนั <co> <chilli> ่นสิแม่เขากับคนอื่นมันร่างกายเหมือนกันหรือเปล่ามีร่างกายเหมือนกันหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขาอยู่ได้หรือเปล่าแม่เราไม่ตอนนี้แม่เราเขาอยู่ได้หรือเปล่าอนั่นสิแล้วเราไปห่วงทำไมรู้ว่าเนี่ยเขาไม่สบายเขาไม่สบาคนอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่ไหม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 ถ้าตัวแม่นี่ไม่ได้ตายไปกับำ่างกายไปห่วงเลยถ้าจะห่วงก็ห่วงว่าท่านจะไปดีหรือไม่ดีที่จะไปดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ท่านทำํำการดึงท่านไปทําบุญสิดึงท่านไปวัดสิถ้าจะห่วงห่วงบาปให้มันถูกอ่าอ่าถามื่อทำแล้วก็จบแล้วเจะมีต้องห่วงอะไรกันอ่าแล้วจะห่วงอะไรกัน ร่างกายก็ต้องแต่เจ็บตายเหมือนเหมือนกับร่างกายของคนอื่นใช่ไหมร่างกายคนอื่นเราไม่ห่วงไม่ห่วงร่างกายของแม่เราทำไมเหือนกั่างกายอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันนาการสามสิบสองเหมือนกันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเหมือนกันหมต่างกันที่ใจอันนี้ต่างกันที่เราต่างกันที่ต่างกันที่ใจแต่ใจไม่ตายแล้วไปห่วงเลย ก็ห่วงตรงที่ว่ามันยังเวียนว่ายตายเกิดหรือมไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่เนี่ยใ่พระเจ้าห่วงพวกเราไม่ได้ห่วงที่ร่างกายท่านห่วงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเนื่ทงที่ท่านแสดงทำนี่ท่านร่างกายเนี่เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่ได้มาหยุดร่างกายของเราไม่ให้แฉะไม่ให้จิดไม่ให้กายเห็นตัวที่เป็นเราที่เป็นสาระของเรามันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นใจไอตัวนี้ Laurie, ที่เราเราไปกับมัน มันจะไปที่ไหนแนหะ่ะไปตามบุญหรือไปตามบาปหรือไปนิพพานอย่านี้นก็มีแค่เนี้ <c oughs> อย่างนี้ก็หายห่วงใช่ไหม <c oughs> อ่าห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตาย <c oughs> ไปอยู่แก่ก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ไหมอไปเฝ้าดูแกตั้งแต่เช้าถึงเย็นแกก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ไปทำอะไรได้นะ อ่เดียวคือให้แรปฏิบัติทำให้มากขึ้นไปให้เลยเวลาเจอกันก็คุยเรื่องธรรมะไปอย่าไปคุยเรื่องอะไรให้เสียเวลาแต่อย่าไปสอนแกแล้วกันได้อย่าอย่าไปสั่งอย่าไปสอนพูดแบบเป็นอุบายได้ น, นั่งสมาธินี่ดีนะหนูนั่งก็สบายใจเหลืเอเกินแม่นั่งก็สบายแม่นั่งจะดีาเลยอ่าเดี๋ยวไม่ห่วงอะไรน่าจะห่วงเรามากกว่างเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกิเลสมันหลอกไอห่วงไอไอสิ่งที่คนจะห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเนี่ยองไอนสิ่งที่ไม่ควรห่ว ง, ง <c oughs> เออ <c oughs> เออเดี๋ยวใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสิ กันจะห่วงกายมากแต่กัน่าวนอ่เริ่มมเ่เอเอ่อา่าเัอเรื่องนอ่อนที่อแล้วอั่านั่นแหละพยายามทำไปเถออันนี้เป็นวิธีกำจัดกิเลส ใหไมีที่นอนไม่ต้องครับเสื่อนเดียวใช่เปลี่ยนปอกหมอนเปลีอะไรให้ยุ่งเลยหมดยิงก้นหัวยิงสบายอย่างไม่ต้องหวีผมไม่ต้องใช้ถ้าอยากจะดูว่าเจริญก้าหน้าในทางธรรมมาน้อยก็ดูที่ผมนี่แหละผมยิ่งสั้นยิ่งเจริญ ยิ่งยาวยิ่งยิ่งิ่งเสืยมยิ่งถอยเอามาลองามถามทางบ้ า, านคำถามจากทางเ c e b o o k l ล v e นะครับคำ ถ, ถามแรกจากอาจารย์เจริญ น, นะครับต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มียินยานมให้พระอาจารย์อธิบายาขยายความด้วยขอครับ เกี่ยวกันไม่ามรู้สึจรับรู้ไม่มีขันไม่มีนามขันไงไม่มีเวทนาสัญญาสังขาร ย, ยื่นยมันจึงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ม, ไมีมันเป็นเพียงแต่ดินน้ำลมไฟที่ยังมีการเจรเิญเติบโตได้ใช่เราก็เรียกว่าชีวิตแต่ชีวิตของดินน้ำลมไฟเหมือนกับร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้เพียงแต่ว่าร่างกายมีจิตมามายึดมาติตมาครอบครอง ถ้าไปทําร้ายร่างกายจิตมันก็จะโกรธจะแข็งขึ้นมาแล้วมันก็จะฆ่าพยายามกันจองร่างจองผานกันแต่ต้นไม้มันไม่มีจิตแล้วไม่มีไม่มีเจ้าของเวลาใครไปฟันต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีใครมาตามนอกจากไปฟันต้นไม้ในป่าสงวนนี้ก็มีเจ้าของก็โ ด, <laughs> โดนจับได้เหมือนกันคำถามสกุล <laughs>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 พูดโทรครังเดียวฟังปัญญาต้องเร็วต้องทันมันพอใครด่าป้า บ, บอกเอ้ยอันนี้ฟังทุกครั้งแล้วนะตาแต่ถ้าไม่ทันก็พูดโธไปก่อนก็ยังดีพอใครด่าจะโกรธแล้วก็พูดโธพูดโธพูดโธไปให้ลืมเรื่องที่เขาพูดไปซะพอลืมแล้วมันก็หายโกรธอาจารย์ครับเอผมได้ฟังธรรมครับของ อ, อุบาอาจารยองค์นึงนะท่านบอกว่าในสมัยก่อนเนยหลวงนี่ย ท่านรงงานไปทํา ง, งานภาคใต้ท่านมีคนถามว่าท่านไม่กลัวเหรออา่าไม่กลัวเหรอที่จะระเบิดเลยนะครับในหลวงบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนในอดีตไม่กลัวเหรอว่ามันมีเรื่องต่างๆเศภาฐมายท่านบอกว่าท่านไม่กลัวเหรอเราสนใจแต่การทำงานณปัจจุบันนั่นแหล ะ, ะแนดงว่าในท่านในหลวงมีมีสติมากจิตอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาด้วยรู้ว่าอดีตผ่านไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึงอันนี้แหละที่หลวงตาท่านพูดว่ารู้รู้ท่าอาดีตรู้ทันอนาคตอ่าปัจจุบันก็ปล่อยวางรู้เท่าทันหมดเลย อ, อดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะปัจจุบันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาพูดป้ามหายไปแล้ว ด่าเพิ่มหายไปแล้วไปยึดมันมาทําไมถ้าก็ด่าเพิ่มเราก็ถ่ายไปแล้วเราไม่คิดถึงมันมันก็จบแล้วเราไปดึงมันกลับมาเองอดีตกลับมาแล้วเนี่ยถ้ามีสติเยอะๆสติปัญญาเยอะๆมันจะอยู่แค่ปัจจุบันนี่เรามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันก็เลยสักแต่ว่ารู่เฉยๆไปเอาอ่ะมา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 อะที่ทนไม่ได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้หยุดความอยากที้เสียบอกว่าความทุกข์ทางร่างกายเราห้ามไม่ได้สั่งมไม่ได้มันจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปพอเราไม่มีความอยากให้มันหายแล้วเราจะไม่ทรมานเราจะอยู่กับมันได้คําถามกับคุณเอกคุณนะครับเมื่อปฏิบัติอานาปนานสติแล้วเกิดตัวรู้ขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติ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 ถ้าเดินก็จะได้ได้สมาธิหรือได้ปัญญาได้สติหรือได้ปัญญาคำถามกับคุณพิสารนะครับไม่อดีตทํากรรมไว้มากมายได้ระลึกถึงและกลัวในผลของบาปกรรมนั้นม า, จากจะวางใจอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรคะความจริงไม่ควรไปกลัวบาปกรรมที่เราทนะําแล้วควรจะกลัวบาปกรรมที่เราไม่ทําดีกว่า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 ให้ปลากินจะบาปไหมครับห้ามเขาบอกว่ามันจะโตเป็นยุง ม, มากัดหนูนั่นแหละก็ฆ่าเขาละ ต, ตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่สั่งให้คนอื่นเขาฆ่าสั่งให้ปลาเป็นฆ่าทำเองก็ดีให้คนอื่นก็ทําให้ก็ดีก็บาปเหมือนกันคำ ถ, ถามจากคุณ ลิวนะครับเราจะให้จิตตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาได้ตลอดโดยจิตไม่คิดนอกได้อย่างไรครับผมกําหนดพุทโทจิตรวมได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็แวบไปและก็ดึงกลับมาซึ็นแบบนี้ตลอดครับอยากจะข้ามค้มตรงนี้เสียทีก็ต้องฝึกพุทธโทรมากๆในขณะที่เรายังไม่ไนั่งพุทโทรไปทั้งวันไม่ต้องผูกไว้กับลม เวลา hmm. ไม่ได้นั่งในพุโทโธอย่างเดียวทํางานไปพุธโธไปถ้าใช้ถ uh ้า huh. ถ้าต้องใช้ความคิดกับการทํางานก็หยุดพุธโธถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธควบคุมความคิดอื่นไว้ถ้าไม่มีความคิดอื่นรู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุธโธก็ได้ให้จิตรู้เฉยเฉยไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้คิดถ้าคิดก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันแล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานจะสงบได้นาน คำถามจากคนุณพลพิสิกนะครับการที่เรารู้ลมแล้ว เ, เห็นเครื่องในกำลังทำงานกระตุกบุตรกองให้มองมีแค่ตัวรู้เฉยๆใช่ไหมครับการที่เหมือนแบบนี้เรามาสู่ทางของการปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับนื่ถูกหถ้าดึงลมให้รู้ลมอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้อย่างอื่นแต่ต้องการใช้ลมนี้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปรู้อย่างอื่นนี่มันมันไม่มันไม่อยู่มันไม่อยู่เป็นเรื่องเดียวนะ มันอยู่ไปอยู่กับหลายเรื่องถ้างให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวคําถามจากคุณโมนีหนูเป็นคนรักสัตว์มากเวลาเห็นสัตว์ถูกทำร้ายจะรู้สึกคิดมากและเครียดขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าเวทนาทางตาทุกก็เวทนาทางตาพอเห็เขาทาําร้ายสัตว์ตัวเองก็ทุกขขึ้นมา ทุกพออยากไม่อยากมองเห็นภาพเหลนะ่านั้นวิธีก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องของกรรมของบุญของอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งมันได้ดังนั้นก็มีสองทางก็อย่าไปดูเป็นั้่หลับตาใชหันหน้าไปทางอื่นหรือสองถ้าต้องดูก็ให้ทําใจ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 แต่ถ้าเราไม่มีความอยากขอให้ผ้ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทําให้เราเครียดคำถามข้อต่อไปจากคุณคุณฟุ๊กนะครับถ้ามีต้นโพธิ์ที่ไม่ได้ปลูกเองโตขึ้นมาเราดึงทิ้งได้ไหมครับหรือต้องนําไปปลูกไว้ที่วัดและถ้าผมเอาไปปลูกที่วัดวัดจะอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการทําอะไรไง ถ้าต้องการจะ ป, ปลูกก็เอาไปหาที่ปลูกถ้าไม่ต้องการก็โยนทิ้งไปต้นโพก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเท่เพียง แ, แต่ว่าเราปลูกเสร็จไว้กับการตัดทะลุของพระเจ้าเราก็เลยให้ความเคารพต้นโพเพื่อให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าเละได้เห็นการตัดทะลุทางเหน่งถ้าเราต้องการจะใช้ต้นโพเป็นการเจริญพุทธทางวัติก็ได้เราก็ไปปลูกความจริงปลูกในบ้านก็ได้เพียงแต่ว่า คนเราต้นมันใหญ่เกินไปไนงะต้นโพนี่มันปลูกแล้วมันใหญ่ต้องมีที่เยอะๆแล้วพอดีทํารมเนียมก็คือมก่กจะปลูกกันในวัดก็เลยไม่กล้าปลูกที่บ้านกันแต่ความจริงเป็นต้นมงคลอ่ะทําให้ปลูกกันใช่ไหมไปปลูกที่วัดวัดช่อก็ไม่มีที่ปลูกต้องไปปลูกว่าที่เขามีที่ หมดแล้วใช่ไหมอเอเออ่าทิศถีในโลกุตระยังมีอยู่ไหมคะไอทิศถทิศถในโลกุตระแกว่าอะไรเขียนคำถามมาใหม่ไหม มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิในโลกุตละนี้มีแต่สัมมาทิฏฐิคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิยัสสัจเจนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการเห็นว่าเป็นนิจฉางทุกขังอนัตตานี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้อยู่ในโลกียะอยู่ในโลกที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าอยู่ในโลกุตละโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา วนแล้วใช่ไหมัอัเดี๋ยวก็ได้ทางนี้ทางที่นี่ใครอยากจะคุยอยากจะถามก็ได้เาที่เราทำสมาธิแล้วจิรวมลงเรสรู้สึกเบาายล้วตามลมหายใจรู้สึกลมหายใจละเอียดเวลาที่เราไม่ได้ําลมหายใจก็ยังรู้สึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ติดยิ่ เราถึงตอนนั้นควรจะปฏิบัติยังไงต่อควรจะดูลมหายใจต่อไปก็มีคำลงอยู่แต่ยังยังยังไม่สงบเต็มที่มันมีสี่ขั้นไงเขาเรียกฌานสี่ฌานหนะึ่งสองสามสี่แล้วตอนเริ่มนั่งเริ่มดูลมมันก็เริ่มสงบเริ่มสบายนะแต่มันสบายมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะสบายเต็มร้อยก็เมื่อมันเข้าไปสู่อัปปนางั้นถ้ายัางดูลมได้ดูลมต่อไปอย่าหยุด ประทับประคองจิตให้ด้วยสติให้มันอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรมันจะไม่มันจะไม่คิดไม่ปรุงมันจะไม่อะไรมันจะเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้เก็ยตอนนั้นก็ใช้สติประทับประคองให้มันสักแต่ว่ารู้ไปให้นานที่สุดจนกว่ามันจะถอนออกมาเเออตนนี้รา คำที่เราิ่งอยู่ันอยากหนีอยใช่แล้วเราตอนนั้นเราจะปฏิบัติยังไงก็ให้มันินงไปเรื่อยๆไงให้คำนี้เรื่อยกว่าผ่านเราไม่ไหวก็เวาที่เอ่อคถามนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันครับ เาอ่แผไปแล้วถเรา่ไมีคุณสมบัติอะไรีติเคยจะแผลให้ผู้วงรับไปแล้วใช่ไหมถ้าผู้วงรับไม่ต้องทำบุญอุทิศไปถ้าถ้าส่วนอื่นอะถ้าส่วนอื่นั้นี้แผลไม่ได้ศีลแผลไปไม่ได้สมาธิแผลไม่ได้ปัญญาแผลไม่ได้เพราะมันมันเป็นของเฉพาะตรงนี้ ก็คิดถึงมูลเก่าก็ได้แล้วก็แผ่ไปก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอาหารเก่าไปแล้วไม่เหมือนกับอาหารใหม่ที่เราถ้าเรายังมีความอิ่มใจสุใจแล้วก็แผ่ความอิ่มใจสุขใจนั้นไปก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่มีกันนั่นจะว่าจะแผ่ความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ได้ก็แผ่ไปได้เหมือนกันเอง แต่ไม่รู้จะถึงเมือไม่ถึงไม่รู้นะเพราะว่าตามสูตรเขาว่าต้องไปทําบุญทําทานแล้วก็แผ่ไปเพราะว่ามันมันแน่นอนคว่พาพอเวลาเราทําบุญเสร็เราจะมีความสุขใจอย่างใจสยเึ้นแล้วก็แผ่ส่วนนั้นไปใช้กุศโลบายก็ได้นะอาจารยเรอว่าหยอดกระปุกก่อนละนี่ปิดปากทำที่ปากก็ก็ไม่แน่เพราะเดี๋ยวเกิดมันมันยังเป็นของเราอยู่อ่ะ ม, มันยังเดี ari. Ari. M m ๋ยวเกิดบันดีคืนนี้มันหิวกกาแฟขึ้นมามันจะขอยืมก่อนเลยมันก็ได้แต่มันคิดว่ามันไม่เหมือนจริงอ่ะมันมันยังอ่าให้เลยมันมันขาดไปเลยมันจบไปเลยให้ให้ข้าวหรือว่าอะไรเนี่ยแต่อยากจะแฉเนี่ยมันจะเกิดไปไม่เกินเนี่ยเพลงเนี่ยมันมันความรู้สึกมันน้อยไงมันน้อยความรู้สึกที่ได้จากการเลี้ยงกิงจบมันไม่เท่ากับการ ทำบุญเลี้ยงพระองเงครับทำบุญเลี้ยงพระนี่มันมีทามสุกสุขมากกว่าอยงก็ได้แต่มันได้น้อย อ, อแผ่ได้ถ้าพูดความจริงแล้วความจริงบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิก็น่าจะแผ่ได้บุญที่เกิดจากปัญญานี่ก็แผ่ได้เพียงแต่เรามีหรือเปล่าเทเองมันมันยากกว่าการที่จะได้บุญจากการที่เราไปทําทานมากกว่า เนี่ยสำหรับคนทั่วไปที่ภาวนาไม่เป็นรักษาศีลไม่ได้นี่ของพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ใช้ได้ก็ก็คือเวลาไปทําบุญนะพอทําบุญปั้มมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาก็แผ่ไปไม่ต้องกังวลมากหรอกคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยกังวลกับเราดีกว่าแผ่กุศลให้กับเราดีกว่าทําใจเราให้สงบให้มีความสุขดีกว่า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 ว่ากำลังกินมากเกินไปแล้วนะพอถึงถึงคำที่ห้าที่หกก็ควรหยุดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่วิการนับโยมใส่บาทยากกว่าอยากกว่ายากกว่าเพาต้องเดินด้วยรแต่ละนับทุกวันยังท่างมันติดเป็นนิสัยนะแต่นี่เกือบสองร้อยวันธรรมดาร้อยกว่าเกือบสองร้อยเมื่อวานนี้สองร้อยกว่าฟันอาทิตย์คนมาเยอะ เออคนใส่ไปก็นับไปนับไปในใจเราก็นับไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> แต่มันเดี๋ยวนี้บางทีก็เผลอเหมือนกันนะบางทีใครมาทักมาคุยมาถามอะไรหน่อยเรตอบปั๊บจไม่ได้นะ <c oughs> นับไปถึงเม่อไหนนะ่เลยรู้สติเองไนงะ <c oughs> เก็บข้อมูล <c oughs> อ่าเก็บข้อมูลไปก็ <c oughs> เป็นมันก็เป็นสมาธิในตัวเนะี่ยเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไปคิดเรื่องอะไรนะมันก็อยู่กับเรื่องนับอย่างเดียว นับคนนับไปมันต้องใช้สติมากมันไม่นับได้มันถ้ามันเปนติดเป็นนิสัยมาตั้งแต่เริ่มบินธบัตนะพราะหลงตาท่านก็เคยนับก็เลยเห็นท่านนับก็เลยนับตามสมัยแรกๆที่ท่านบินธบาัตบ่งทีคนเยอะๆท่านก็นับวันนี้สามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าหลังก็เลยเออดีเหมือนกันก็ลองนับดูไปนับไปก็<ๆ><ๆ>ต้องใช้สติพอสมควร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 ความสาคัญอยู่ที่ตรงไหนคําถามจากคุณทรงบุษความอยากทั่วไปกับฉันทะที่ความที่เป็นความปรารถนาในข้อที่หนึ่งของอิทธิบาทสี่ต่างกันอย่างไรครับเือความอยากมีสองฝ่ายความอยากที่สร้างความทุกข์กับความอยากที่สร้างความสุขความอยากที่สร้างความสุขเราเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความอยากในธรรมนะครับ อยากทำบุญทำทานรักษาศีลอยากภาวนาอยากทำความดีต่างๆนะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นฉันทะไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาตัณหานี่มีความเป็นความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์เช่นกามตัณหาความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ลาบยศสรรเสริญนี่เรียกว่าเป็นตัณหา เป็นความอยากที่ไม่ดีเพราะทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่ความอยากเสียสละอยากจะสละลาบยศสรรเสริงสุขไปอยากจะไปนั่งสมาธิไปภาวนาไปบวชนี่ก็เรียกว่าฉันทะเป็นความอยากในใทางที่ดีคำถา ม, ถามคุณว่าสนาการที่เราช่วยคนอื่นให้ค้นทุกข์แต่ภายหลังเขากลับมาย้อนกลับให้เราทุกข์เสียเอง เราจะคิดอย่างไรดีเพื่อที่เราจะทายทุกลงได้บ้างคะคิดว่าเหมือนการใส่บาตรก็แล้วกันเ ร, เราใส่บาตรเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากพระผู้ที่เราใส่เหตุ <c oughs> นี้นเขาจะมาทําอะไรกับเราทีหลังเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราทําดีกับเขาแล้วเขาต้องมาดีกับเรานี้พอเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเสียใจเหตนอย่าไปคิดอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับ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 ภาคสุขติปนโนมเมื่อละสังขารแล้วเหตุใดร่างกายท่านถึงไม่เน่าเปื่อยยังคงสภาพเหมือนเดิมได้เพราะอะไรหรือครับไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เน่าเปื่อยมีเหอใใรอแน่ใจแน่นสิท่านท่าก็ฉีดยาคงจะไม่เน่าเปื่อยเพราะสมัยนี้มันมีวิธีอ่รักษาร่างกายได้ใช่ที่มัมม็องมัมมี่อย่างนี้ก็มีวิชาการต่างๆรู้สึมี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 ทำอย่างไรถึงจะแก้ไมิใสชอบกับผมและแกะสิวได้เจ้าคะรู้สึกว่าเป็นการส่งจิตออกนอกแล้วค่ะก็ใช้พุทโธและหัดสร้างสติไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยู่ที่ผมอย่ไปอยู่ที่สิวพอมันคิดถึงผมคิดถึงสิวมันก็จะไปไปไปจับให้อยู่กับพุทโธแทนอท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคำถามจะคุณโมนี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 แล้วก็จะว่างเย็นสบายมันลอยอยู่ในอากาศอยู่คนเดียวไม่มีอะไร เ, ยยรเยลมยาล ม, เมาที่ลมก็อยู่ก็ทิ้งพุโทโธไปอเลยดูลมอย่างเดียวแล้วต้องกลับไปพุโทโธไม่ก็ทิ้งพุโทโธไปไว้ทิ้งไม่จะกลับไปทําไมก็ <c oughs> มาที่ลมไม่จะกลับไปทําไมไง ใจคุณไม่นี่งอ่ะใจคุณไม่อยู่ที่อย่างไรอย่างคือเริ่มต้นเรจะเริ่มพุทโธไปเรากลับมาลงมาที่ลงเราก็ขึ้นอีกอย่าไปกลับไปกลับมามันขีม่ม้าเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยเมื่อไยไม่ถึงอ่ะเอาตัวเดียวพออย่างเดียวแต่ตอนต้นนี้อาจจะเปลี่ยนได้เช่ตนตอนต้นจิตมันไม่ยอมอยู่กับลงมกอ็อยู่กับพุทโธก็พุทโธไปก่อนพอใจเริ่มสงบ ไม่อยากจะพูดโทมเหนื่อยก็หยุดดูลมไปต่ อ, อนี้ก็ได้ลมมันพูดโทแล้วพอ ม, มาลงคิดพ อ, อยู่ตอนอยู่กลมมันคิดอย่างนี้ยก็แสดงว่าเราไม่อยู่กับลมใช่ไหมก็ให้กลับไปที่ไหนดีคะก็กลับไปพูดโทก็ได้แล้วหยุดความคิดคืออย่าให้คิดเท่านแบบั้นเนี่ยจะใช้ลมก็ได้ใช้พูดโทก็ได้ บางคนก็เลยใช้สองอย่างใช้ทั้งลมใช้ทั้งพุโทโธก็ได้แต่แต่แต่มันจะสงบไม่สงบก็ต้องดูดูดูผลก็แล้วกันเพราะนี่มันเป็นเรื่องของจริญของแต่ละคนจะแอะบอกว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไหนก็ไม่ได้บางคนเขาดูลมพุโทโธด้วยแล้วก็สงบก็ก็โอเคขอให้ดูผลนี่ก็แล้วกันเหตุก็เป็นเป็นเป็นทางที่เราจะเลือกเอา แต่ต้องดูว่าทางที่เราเลือกนี้ทำแล้วได้ผลหรือเปล่าอ่าต่อมาคำถามจะคุณประกาศนะครับอ่าเรื่องสุดตามที่ได้รับฟังพระอาจารย์คือนึกพุทโธ ท, ทุกวิรรยาบทแต่พอนั่งสมาธิรู้สึกจึดอัดมีอาการค้ายลมหายใจไม่สะดวกกลับขอคำแนะนำ เวลานั่งสมาธิถ้ายังอึดอัดอยู่ก็ลองสวดสวดอะไรไปก่อนนั่งหลับตาสวดไปเหมือนแทนที่จะใช้พุทธโธมันอึดอัดก็ลองสวดบทมนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปก่อนพอจิตตอนนั้นมันยังฟุ้งมากมันไม่ยอมอยู่กับอารมณ์เดียวก็ให้มันอยู่กับบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดสวดไปหลายๆรอบก็ได้จนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วก็ นั่งหยุดแล้วก็ดูลงไปแล้วพูดโทรไปคำถามจากคุณเกรสนะครับคำถามจากคุณวัฒนาวันคะเราจะรักษาสีแตกแล้วนั่งสมาธิประมาณหชั่วโมงแล้วเราแผ่เมตตามีโอกาสจะสีเขาใหม่ครับ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 เหมือนกับคนน่ะผู้หญิงเวลายังไม่แต่งงานก็เรียกว่านางสาวพอไปตแต่งงานก็เปลี่ยนเป็นนางไปแต่ก็คนคนเดียวกันนั่นแหละคำถามจากคุณแอนนะครับการนั่งสมาธิวันละสองครั้งครั้งละขึ้นชั่วโมงกับการนั่งสมาธิวันละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมง <c oughs> วิธีไหนจะดีกว่ากันครับก็ลองดูเลยวิธีไหนดีกว่าก็เอาวิธีนั้น ข้อที่หนึ่งเมื่อก่อนผมภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโคลจึงทําให้เกิดอาการคอแห้งและเหนื่อยผมจึงเปลี่ยนเป็นภาวนาพุกโทอย่างเดียวส่วนลมหายใจจะสันส้นหรือยาวสั้นหรือยาวผมไม่สนใจทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ดูที่ผลเลยก็หล้ผลคือใจสงบหรือไม่สงบสบายหรือไม่สบายก็อ่าน ข้อที่สองภาวนาไปได้สักพักคําที่ภาวนาก็าเปลี่ยนจากทุกโทเป็นอุดโทแบบนี้จะเป็นอะไรใหม่ครับไม่เป็นหรอกก็อุดโทไปก็ได้หนูให้คิดก็แล้วกันคาถามจับคุณสิทธิภาพเรานั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับไม่เดินจงกลมได้ มาเลงแล้วเราไม่รับการเคีโดแต่เลือกควบคุมอาหารเพื่อให้ปูพุงกันรักษาตัวเองแบบนี้จักว่าประมาทเกินไปไหมเจครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะต้องการจะรักษาวิธีไหนก็เรื่องของเราหมดแล้วใช่ไหมอ่าก็นะ่าสมควรนะนะพอก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้